วิเวคพังจิตวะนังอุบาสิกมาปีนุปสังคมีอุปสังคมิตวะพระกวนทัอภิวาติตวา อีมพูดให้ตั้งความหวังให้ชัดแล้วก็ได้เป้าหมายที่วางไว้ว่าคนที่ขวนขวายและเร่งรีบแล้วก็มีความชัดเจนในชั้นคำสอนก็จะปฏิบัติได้ได้ยางดีอันนี้พูดเรื่องศาสนาโพกิ สรุปมันก็เลยว่าแล้วแต่ใครจะจับประเด็นได้จริงๆแล้วเมื่อเมื่อจบจบคอร์ส ต, ตรงนี้เบษษ็ยดเสร็จแล้วมันต่อได้จริงๆมันไม่ใช่จบกันแค่แค่ตรงนี้จบเบษษ็ดเสร็จแต่บางท่านเนี่ยจะเดินต่อได้เดินต่อได้แล้วเข้าไปไกลไอ้ตรงนั้นก็ต้องหน้ามวรานาที่คนสรุปประเด็นได้นี่นะแต่ถ้าใครยังสรุปประเด็นไม่ได้นั้นก็ก็สืบค้นกันต่อไป ประการต่อมาก็คือก่อนเนี่ยสีร่าสามัญญาตานี้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันก่อเพื่อนบรมอาจารย์ทั้งด้านหน้าและหลังมีความประพฤติ ด, ดีงามถูกต้องมีระเบียบไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจทุกหมู่คณะเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปโดยหลักพื้นฐานแต่ตรงนี้เป็นหลักสีร่าสามัญญาตาเนี่ยเป็นหลักของการเข้าใจในชั้นศีลคือทานนกุศลเนี่ยถ้าพูดกันระดับว่าการสละการให้นี่ยถ้าเรามองนี้นะว่า เราไม่สามารถที่จะพัฒนาฐานกุศลเข้าสู่ชั้นของศีลกุศลภาษาสดาเรียกว่ามหาทานตอนนี้อามาพยายามจะไม่จับในชั้นของคําสอนยกตัวอย่างให้เห็นอะไรให้ชัดเจนนะแต่จริงๆมันมีหลักอยู่ในหลักของคําสอนนมันมีอย่างนี้ถ้าเรามองในชั้นของคําสอนเราจะเห็นชัดเจนก็คือว่าทางด้านของตัวถ้า เจตนาเจตนาที่ประกอบกับกุศลที่เป็นไปกับกุศ ล, ลจิตชื่อว่าทานเพราะเป็นเจตนาที่คิดจะให้เนี่ยเป็นทานอันนั้นทานตรงนั้นเป็นตัวขับเน้นนมามธรรมไม่ใช่ขับเน้นรูปธรรมคือจิตที่คิดคิดจะให้กิจจิตที่คิดจะสละเห็นไหมตรงเนี้เรานั่งอยู่กันอย่างทุกคนเนี่ยตัวนี้เจตนาทานเนี่ยมีหมดเลย เห็นดอกไม้ก็น้อมสละเห็นสิ่งของต่างๆก็น้อมสละเนี่ยน้อมน้อมสละน้อมให้น้อมบริจาคน้อมถวายเป็นพุทธบูชาอะไรเนี่ยนะอันนี้มีตลอดไหมมีตลอดอย่างเนี้ยนะอันนี้แปลว่าน้อมสละเรียบร้อยอเลยเสร็จแล้วอโลพาเออวัตถุทยะวั ท, ธทยธรโมเทานันติคือว่าวัตถุเรามีวัตถุหรื อ, อยังแตนเนี้ย เราเห็นวัตถุสิ่งของเต็มไปหมดเลยแต่เราน้อมไม่เป็นเนี่ยพอเราเห็นสิ่งของต่างๆ่าแล้วบอกโอ้โ oh, หน่าอยากได้ไหมน่าอยากได้น่าอยากได้เข้าไปในห้างก็เสื้อผ้าน่าอยากได้นาฬิกาน่าอยากได้แหวนนาฬิกาแหวนเพชรจินจินดา น, น่าอยากได้หมดเลยอันนี้จิตน้อมออกไม่มีเลยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยลำจะหมักหมมอย่างนี้เต็มไปหมดเลยทั้งๆัที่เห็นวัตถุอยู่ถ้าบางคนเห็น เพชรปุ๊บโอ้โหหน้าถวายเป็นพุทธบูชาอยูงมันจะคนละมมเลยนะทีนี้นะมันหน้าสลาหน้าสลากหน้าสละก็คือถ้าในลักษณะอย่างนี้มันมันกลับกลายเหมือนกันแต่มันหน้าเหมือนกันหน้าสละออกหน้าสละออกหน้าสละออกอย่างนี้ทานกุศลเดินไหมเห็นวัตถุทานมันรู้ว่าวัตถุทุกอย่างเป็นของสมมุติเนี่ยแต่ถ้าคนฉลาดทําเป็นทานกุศลแล้วสละได้เกลี้ยงหมดเลยนะ คนบางคนเนี่ยสามารถที่จะสลัพื้นแผ่นดินทั้งใบได้เลยถวายเป็นผู้ถบูชาได้อย่างพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นต้นนี่เราก็เห็นเลยนี่ความชัดเจนในการขัดเกลาส่วนอาโลพานี่นะสะภาพที่ไม่โลภที่ประกอบกับเจตนาที่เป็นไปกับ ก, กุศลที่เป็นเหตุแห่งการให้ชื่อว่าทานเหมือนกันนี่คขาเราียกว่าไม่ยึดติดเลยเพราะสลาดไปแล้วก็ไม่หวงสลัไปแล้วก็ตัด เห็นไมการการสละก็ตัดเบ็ดเสร็จอย่างนี้แปลว่าอะไรเนี่ยหนึ่งสละแล้วทาลายโลภะแล้วได้อะไรได้ความไม่โลภได้ความลุกไม่โลภเกิดขึ้นสภาพใจจะอ่อนโยนขึ้นไหมอ่อนโยนควรต่อการฝึกหมควรต่อการฝึกสภาพจิตใจก็จะควรต่อการฝึกควรต่อการควรต่อการที่จะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปพัฒนาไปถึงระดับไหนระดับมหาทาน นัเข้านัเข้าให้อะไรเห็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้ ง, งมนุษย์ทั้งสิ่งที่มีชีวิตทั้งอบรรยัยวะสัตว์เห็นปุ๊บจิตคิดงไงให้ชีวิตเอาละเป็นทานไหมเป็นทานทันทีนี่ยเนี่ยเพราะเราสละเราให้อะไรให้ชีวิตเป็นทานให้ความปลอดภัยในชีวิตไงอย่างที่เคยกล่าวบ่อยๆว่า เราให้หนึ่งชีวิตให้หนึ่งชีวิตนี่นะที่โดยสำนวนที่บอกว่าเคยเคยเจอหนังสืออยู่เล่มหนึง่งเขีนว่าแม่ที่เขาเขียนเป็นเด็กมีพระท่านเขียนเป็นเด็กว่าแม่อย่าไปฆ่ามดนะเดี๋ยวแม่มดกลับมาเขาจะไม่เห็นลูกมดอย่างเงี้ยนะ เมื่อแม่จะไปฆ่ามดอย่าไปฆ่าม ด, าามดเดี๋ยวแม่ก็นะกลับเนี่ยจะหากินก็าจะไม่เห็นลูกเขาอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยมดหนึ่งชีวิตมันกระทบชีวิตเท่าไหร่เนี่ยกระทบชีวิตเท่าไหร่เออเราให้ชีวิตมดหนึ่งตัวแต่ที่ไหนได้บริวารของมดน่ยพลอยปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินด้วยอย่างงี้เนี่ยนะมันมาจากการให้ใช่ไหมเนี่ย มันมาจากการสละมาจากการให้มาจากการขัดเกลว์ไอความละเอียดอ่อนของกุศลเหล่านี้มันไม่เกิดไงเราจึงเราจึงกล้าเบียดเบียนสัตว์ได้พอจะมองเห็นไว้ทอนนี้ยถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องพูดถึงสัตว์ใหญ่แล้วพระาศาสดาถึงบอกว่าแม้แต่มดดำมดแดงเล็กๆใ น, นเธอก็อย่าไปฆ่าเธอเป็นบรรพชิตควรเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนจากการลังแกชีวิตเขา ควรให้ชีวิตเป็นฐานเพราะหนึ่งชีวิตนั้นมีค่าต่อกระแสของสังคมของเขาเขาต้องเจ็บปวดถ้าพ่อเขาตายแม่เขาตายนาเขาตายปู่ย่าตายยายเขาตายศาสตราธมิกรเขาหรือเพื่อนเพอนเพื่อนที่อยู่ร่วมกันเขาตายเนี่ยถ้ามองอย่างนี้จะเห็นมหาทานไหมนี่ไงทานที่พระศ า, าสดาบอกว่าเป็นมหาฐานนี่คือการสละคือการสละ การให้เห็นไหมการที่เราไม่ได้บ่มไม่ได้ขัดเกลามาเป็นไปตามลําดับเนี่ยมันทําลายโทสะไม่ได้แต่ถ้าศีลแบบนี้จะทําลายโทสะได้ไหมทําลายได้เลยถ้าหากว่าทานกุศลอย่างนี้จะทําลายโลภะแต่ถ้าศีลอย่างนี้จะทําลายโทสะถ้ายิ่งวิจัยโดยความเป็นสัตว์และโดยความเป็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเวียนทุกข์เป็นต้นเหล่านี้นะไปวิจัยเข้าถึงความจริงมันจะทําลายความหลงได้ชัดนี่ไง ภาษาสดาจึงสอนคารวะให้เดินกรรมาฐานมาจากทานกุศลศีลกุศลภาวนาวกุศลถ้าถามว่าอนาถปินฑิกะเดี๋ยวเวลาจะขับเน้นนี่ดูว่าอนาถปินฑิกานั้นท่านบรรลุยังไงท่านขับเน้นพุทธคุณแล้วบรรลุเนี่ยและมาจากทานกุศลอย่างไงท่านท่านเดินทานกุศลในการเข้าอยู่ในสมาบัตรของท่านยังไงจะได้ชัดว่าทานกุศลเนี่ยท่านเดินเนี่ย บางคนไม่เข้าใจว่าจาคานุสติเป็นสติปัฏฐานเป็นก็มองไม่ออกทั้งๆ ท, ที่จาคานุสติเนี่ยเป็นสติปัฏฐานสี่ก็ไม่เห็นบุมของคําสอนของภาษาสดาก็เลยว่าไม่ใช่วิปัสนาละเลยไว้ก่อนละเลยไว้ก่อนแล้วเป็นยังไงตอนเนี้ยเรามันนั่งเศร้ากันเป็นส่วนใหญ่จริงๆนะการที่เราเจาะคําสอนไม่ถึงเนี่ยนะทั้งๆที่ เราดูอย่างนี้เอามาพูดภาพให้เห็นถ้าในกรุงราชคร์ตัวเมืองของกรุงราชคลีร์ในเมืองหลวงนะมีประชาชนท่านใช้คำว่าก้าโกฎ9ก้าโกรเท่าไหร่ก้าสิบล้านนอกเมืองราชคฤร์ในแฟนมาโคตทั้งหมดอีกก้าโกฎก็สรุปก็คือว่าทั้งหมดสิบแปดเท่าไหร่ ร้อยแปดสิบล้านนั่นแหละคือร้อยแปดสิบล้านนี่ถ้าเห็นภาพนี้จะชัดผราอาริยะเต็มไปหมดผู้นำประเทศยังเป็นผ้าอริยะเลยพระเจ้าพิมพิสารฟังธรรมครั้งแรกฟังทานกุศลบรรลุทานทานศีลสวรรค์เนกสักด์าค ะ, ะ, ะอันนแล้วก็อนุปุพีคาถาเป็นไปตามดับแล้วจบอริยาศาสตร์ก็บรรลุเห็นไหม เห็นท่านเดินทานกุศลกันเป็นไหมแล้วท่านบรรลุนี่เป็นอย่างนี้ไงฉะนั้นอนุปุพีคาถานเนี่ยจบลงด้วยอริยศาสตร์เนี่ยจึงเป็นแถวเป็นแนวในชั้นคําสอนเลยและจะขับเน้นเรื่องทานที่เป็นที่ถูกต้องท่านเดินทานบรรลุ ก, กันได้เพราะเป็นสติปัฏฐานเนี่ยท่านทั้งมองนี่จะชัดในสาวสถีตัวสาวสถีตัวเมืองหลวงนี่นะมีประชากรเจ็ดโกรธเจ็ดสิบล้าน เป็นภายยะเส้อห้าโกฎห้าสิบล้านไม่เป็นภายยะยี่สิบเองนอกเมืองยังไม่นับนั่นคือฟานโกศลถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้เราจะเห็นชัดว่าชาวบ้านอุบาสกบาศิกาภายยะเต็มหมดตอนที่ภระสาสดาเนสะแสดงยะมะามากาฏิหาร ที่แดนมามกก่อนจะขึ้นดาวดึงในภรรษาที่หกมีประชากรเนี่ยบรรลุสองรอยล้านแต่ไม่มีเรานี่อันเนี้ยนี่ น, นตรงเนี้ยจะได้รู้ว่าว่าอะไรเกิดขึ้นขึ้นไปอยู่จำพรรษาสามเดือนลงมาที่สังกษะห่างจากจุดนั้นไปในสามร้อยกิโลเออประมาณสี่ร้อยกิโลเมตรลงสังกษะเพราะภาษาลิบุตจำพรรษาที่นั่นพระองค์ก็เลยเสด็จลงที่นั่นด้วยแล้วก็แสดงธรรมวันนั้นน่ะ จัดได้บรรลุสามร้อยล้านเนี่ยนะตรงเนี้ยต้องการมองมุมให้ดูว่าเขาไปกันหมดแล้วเนี่ยเพราะเขาเข้าใจทานศีลสวรรค์ผลของทานึงแล้วก็อานิสงการออกจากกกามเนี่ยแะเนี่ยํมมะไหม ทานนักกถาศีลกะถาสักขกถากามมาทีนวะกะถาโทษของกามแล้วก็เนคคำมานี้สังสกกรารกถาอนนิสง์การออกจากกามออกจากการเกี่ยวข้องในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจบลงทุกสมุทัยนิโรดมรรุเลยเนี่ยท่านขับเน้นยังไงเนี่ท่านเดินกรรมฐ า, านให้ดูแล้วนี่ไงแต่เราเนี่ยไปมองว่าทา น, นากุศลนะมันทําตัวยังไง ว่าเราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่เราขับเน้นพลาดไปตั้งหลักใหม่ดีไหมคิดว่ามันจะลงมาต่ำต้อยไปไหมไม่เลยใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้จะเริ่มเริ่มชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วเราเคยให้กันมาเยอะหมดเลยแต่มันเจตนาก็ดีอโลพะก็ดีเจตสิกทานเป็นต้นเหล่านี้หรือวิรติทานเป็นต้นเนี่ยนะ ไม่แข็งแรงถึงไม่แข็งแรงไม่เป็นไรนะเมื่อเราเข้าใจในชั้นตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วเดินได้เอาไปดึกไข้ครวรเป็นกรรมฐานได้ด้วยเนี่ยนะเราจะย้อนเอามาใช้ได้หมดเลยที่ผ่านๆมาเพราะเป็นอปร布拉ร拉เจตนาไปเราจะขับเน้นใหม่เอามาเป็นตัวขัดเกลาหมดเลยนี่นะเมื่อขัดเกลาเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่ทําให้เรานั้นเนี่ยได้เข้าใจทานอกุศลชัดเจนขึ้น แล้วได้ปฏิบัติได้ด้วยคือนได้ใชชัดเจนขึ้นถ้ามองดูในลักษณะอภยังเทติอาคตัตฐานเนวิรติทานอ ห, หนึ่งอันนี้คือการให้อภัยกับตัววิรติทานนี่เราก็ขาดขาดตัววิรติคือการให้อภัยส่วนปานเมื่อกี้เราสมาทานนะปานาติปาตาปฏิวิรโตภิกเวรียสาวโกอปรินามา นานางสัตตานางอภยังเทติเป็นต้นเนี่นยนีอายางพิกเวปธรมังทานนางมหาทานนางว่าไงบอกว่าในอภิสันทสูตรในทานวักอัตกานิบาตอังกุตระพาบาลีบอกว่าอริยาสาวกได้เว้นแล้วจากปาณาติบาทย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้การให้อภัยแกสัตว์ทั้งหลายนี้ชื่อว่าเป็นมหาทานข้อแรกในอริยะในพระธรรมวินยัยของพระธถ า, าคตเนี่ยเอาละสิแต่เนี้ย นี่เป็นเป็นเป็นมหาทานเพราะอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการที่เราจิตที่คิดไม่ไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ทําลายทั้งหมดเมื่อเราเห็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนั้นน่ะตรงมหาทานข้อแรกจะเกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดเป็นอัตยาสัยนั้นการปฏิบัติได้ขับเคลื่อนแล้วตัวโทสะ ท, ทั้งหลายจะถูกทําลายลงจะถูกทําลายลงทุกครั้งเมื่อเมื่อกุศลประเภทนี้เกิดขึ้น เมื่อทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆเขานันเขาเรียกภ า, าวนากุศลเดินภาวนากุศลตัวนี้เขาเรียกว่าศีรานุสติเป็นอนุสติที่จะขับเน้นเข้าถึงปลาโมดปีติปัสสติความสุขสมาธิแล้วก็ยะถาภูตญยานทัทสนะนิพิทาวิราคะวิมุตติการหลุดพ้นได้ด้วยการไขควรอย่าง น, นี้นี่เห็นไหมว่าจุดขับเน้นเราไม่ถึงจริงๆอันนี้แค่ศีล น, นะแล้วขับเน้นไปที่ทาน ท่านนางวิสาขามหาบาซิกาเนี่ยถ้าพระท่านา น, นะา น, นางนี่นะท่านนางท่านนางวิสาขาเนี่ยไปไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมในขณะเดียวกันมีภิกษุจาริกจากเมืองอื่นมาเฝ้าพระศาสด า, ศาปุ๊บก็มารายงานลังจะออกภรษาว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญภิกษุรูปนี้ได้ถึงแก่การมรณภาพแล้วรูปนี้มรณภาพแล้วเป็นไปตามลระดับพระศาสดา ก็ถามพระาศาสดาว่าภิกษุเหล่านี้มีคติอย่างไรเนาะและพระาศาสดาก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปแรกที่เธอกล่าวนั้นน่ะเป็นผู้ได้ปรินิพานจิตได้อนุปาทาปรินิพานมีการไม่เกิดเป็นธรรมดาแล้วว่าทำเธอทําให้ถึงที่สุดเห็นวัาแตทุกแล้วส่วนรูปที่สองที่เธอกล่าวมานั้นท่านได้ทําเธอได้ทําสังโยชน์เบื้องต่ําเบื้องสูงบเบื้องต่ําทั้งหลายนะ่ะขาดจะ บ, บั้นเบ็ดเสร็จแล้ว เธอมีอันไม่ตกต่ำแล้วเธอได้สู่ในด้านของสุดท้าวาาเป็นพผ้านาคาเป็นผ้าสกาัทะก็ว่าไปตามลําดับจนถึงที่ว่าทําลายสักยะทิฏฐิวิจิกิชาวสีระพตาปรามาตเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกตำ่ำเป็นธรรมดาจะได้ปริญญานิพานในเบื้องนะ้พอพระาศาสดาบอกอย่างนี้เบีดเสร็จปุ๊บนางก็กวาบออกมาแล้วคอยถามบิกษุรูปนั้นหลังจากเขาจบการแสดงธรรมก็กราบเข้าไปกราบ ท้าภิกษุรูปนั้นบอกพระคุณย่าโวยเจริญพระที่ท่านกล่าวมาเนี่ยเด้เคยมาสาวัตถีหมื้นพระก็บอกโอ้มาก็มาอุบาสิกาเธอเคยมาพอฟังแค่นี้นางตรึกทานกุศลเลยเพราะนางตั้งทานกุศลไว้ปดมุมเมืองเลยฉะนั้นพระองค์ไหนเดินทางมาสาวัตถีที่จกไม่รับข้าวยาคูหรือรับเกียวกเรื่องทานในกุศลของเธอไม่มีเลย เพราะทานเธอดักทานกุศลไว้ทุกมุมเมืองเราสิเธอก็มาตึกพิจารณาว่าโอ้เจรนาทานเราได้สละแล้วอโลพาทานเราได้ตัดขาดแล้ววัตถุทานเป็นของบริสุทธิ์แล้วก็ผู้รับทานนะผู้รับทานทักขิเนยบุคคลเป็นบุคคลที่เป็นภาลิยาบุคคล ปรินิพานใบก็มีไปสู่สุทธาวาสก็มีมาในภพภูมินี้ครั้งหนึ่งก็มีแล้วมีอันไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นประโสดาบันจะมีปรินิพานจิตในเบื้องหน้าก็มีโอ้เราได้ดีแล้วนาะทานของเราบริสุทธ์เนาเนี่ยนะพอนางตึกอย่างนี้เบ็ดเสร็จกระแสของจิตของเธอก็เกิดปลาโมดขึ้นมาแล้วปลาโมดสภาพจิตที่ปลาโมดก็ผ่องใสขึ้นมากลายเป็นปีติเห็นไมคลอดจากปลาโมดได้เข้าสู่ปีติ สภาพของปีตินี่เนี่ยพอแข็งแรงขึ้นมาเป็นขุทกาปีติคณิกาปีติพราณาปีติอุเพงคาปีติอกันติกาปีตินี่นะในส่วนจริงก็เข้าถึงปัจสัาธิคือความสงบพอความสงบเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยเกิดสมนัะเกิดความสุขสุขก็เลยมาเป็นประธาฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นประธานฐานของยะถาภูติยานัตจนาณิพิทาเป็นต้นเหล่านี้เธอเดินวิปัสสนาญาณเข้าพระสมมาบัติได้ เห็นไหมเข้าพระรามาบัตรได้เลยนี่คือนางวิสาขาเพราะเธอเป็นวิทย์พระโสดาบันอยู่แล้วไงแต่เธอไม่น้อมที่จะทําสกาทาคามิมา ก, กับนาคา ม, มากก้เกิดต่อเพราะเธอปราถนาท่องเที่ยวในวะะัฏฏะเห็นไหมเพราะเธอไม่ตกต่ําอยู่แล้วเพราะเธอปิดอบายภูมิสี่ประตูเรียบร้อยแล้วเธอไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นอสุรกายแต่เธอต้องการจะท่องเที่ยวเพราะภูมิต่างๆ เธอก็อยู่ในสมาบัติมีความสุขในปัจจุบันมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เดินทานกุศลได้เอาสิแต่ถ้ากลุ่มที่เขาเดินแล้วบรรลุเขาก็เดินมุมลักษณะเย่างนี้อันนี้เราลองย้อนดูทีมีทานกุศลใดๆบ้างที่เราคิดแล้วมันยังความปลาโมดปีติประสิทธิความสุขสมาธิยถาภูตญาทัทสนะปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นบ้างยังไม่ได้สักทิดเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงอะไร ทานกุศลเป็นสติปัฏฐานไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เป็นหลักปฏิบัติที่คนบรรลุกันมากที่สุดสําหรับอุบาสกอบาสิกาศีลกุศลก็บรรลุกันมากที่สุดภาวนากุศลพุทธคุณทั้งหลายก็เป็นเหตุนคนบรรลุได้มากที่สุดเป็นต้นด้วยอนุสติเนี่ยนะนี่ไงต้องการจะชี้เห็นว่าเมื่อเราเข้าใจบริบทแห่งการปฏิบัติขัดเกลาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้เดินกันให้ถูกแล้วชีวิตก็จะเป็นไปเพื่อการ ขัดเกลากิงๆเดี๋ยวนี้เราจะน้อมเห็นอะไรทุกอย่างแล้วจะไม่ไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองแล้วเพราะอะไรทานกุศลทําลายโลภะศีลกุศลทําลายโทสะภาวนากุศลก็ทําลายโมหะความหลงความไม่รู้เห็นไหมเมื่อโลภะโทสะโมหะถูกทอนถูกทําลายเรื่อยๆเรื่อยๆเือๆที่สุดจริงๆกระแสชีวิตก็ก็เข้าถึงความจริงเป็นต้นได้ ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมาขับเน้นว่าหนึ่งอยู่ด้วยกันก่อนเนาะมาใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนี่ยสีรไรสามัญญาตาแล้วก็มาทิฏฐิสามั ญ, ญาตานี้มีทิฏฐิเสมอการต่อเพื่อนบรมอาจารย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักสำคัญจะนำไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์แล้วก็ขจัดปัญหาต่างๆก็อันนั้นเรียกว่าทิฏฐิสามั ญ, ญาตาซึ่งสาคัญมากนี่สรุปตรงนี้ก็คือว่า ในด้านของการที่บอกว่าการที่เราท่านทั้งหลายการการที่จะทําเมตตากายกรรมเมตตาว จ, จีกรรมเมตตามโนกรรมเป็นต้นให้เกิดขึ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะก็คือว่าการเปิดตามองอย่างสนิทสนมด้วยความรักด้วยเมตตาด้วยการมองดูใบหน้าอันชื่นบานและเป็นเมตตากายกรรมเนี่นะเขาเรียกเมตตังมโนกรรมมังนามะชื่อเมตตานี่นะ มโนกรรมประสงค์เอาจิตซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการเปิดตามองอย่างสนิทสนมด้วยความรักคือเมตตาก็หมายความบอกว่าใจอ่ะใจที่เป็นไปกับเมตตานะเปิดเปิดเมตตามาเพราะถ้างั้นมันจะขวางการปฏิบัติการอยู่ด้วยกันถ้าเรามองหน้ากันได้ใจที่มันเศร้ามองได้แล้วเนี่ยไม่เปิดเมตตาให้เกิดขึ้นในใจนะเราจะไม่ได้รับความเอิบอิ่มเลยนี่นยะ และเมตตากายกรรมปรากฏก็บอกว่าแมตตาถามบอกว่าการที่ภิกษุประพฤติปฏิบัตินี่นะในด้านของอุปชัยวัดเป็นต้นเหล่าเนี้ยการปฏิบัติครูบาจารย์ครูบาจารย์แลาสิ้์ซึ่งกันและกันก็ทํากันด้วยเมตตาเครือข่ายทั้งหลายก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นอยู่ตนกันก็คือปฏิบัติกันด้วยเมตตากายกรรมก็ช่วยเหลือทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ทํากายกรรมออกมาด้วยเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจ แล้วก็กระทำต่อกันและกันต่อหน้ากระทาดูแลซึ่งกันและกันมีเมตตาข้อแรกเกื้อกูลในาการปฏิบัติข้อ 2. เมตตาวจีกรรมพูดต่อหน้าพูดด้วยกันก็มีเมตาก่อนแล้วก็เป็นปัจจัยการเคลื่อนวจีกรรมออกมาในการเปล่งการกล่าวแม้รับหลังกล่าวถึงกันก็กล่าวด้วยเมตตาไม่นินทาว่าลางี่นะอันนี้เป็นเหตุแห่งการที่จะเจริญเลยทุกคนขัดเกลารตัวเองเมตตามาโนกรรมก็คือว่าเข้ายุม่มต่อหน้าก็คือนั่งไม่พูด แล้วก็ไม่เคลื่อนไหวยาบทแต่มองหน้าอย่างงี้นะหรือมองส่วนต่างๆก็แผ่เมตตาให้มีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานลักษณะ่เี้ยเปิดเปิดเมตตามโนกรรมออกมาตลอดเวลานี่เข้าถึงควานแบบนี้ต่อหน้ารับหลังก็อยู่หน้าอาสนะเดียวนั่งแผ่เมตตาให้กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้เข้าถึงสภาวธรรมคำสอนของพระศาสดาอย่างนี้จิตใจก็จะสดชื่นถ้าในลักษณะนี้นะทั้งต่อหน้าและรับหลังทําเมตตามโนกรรมเป็นต้นได้ นี่ลักษณะเนี้ยนะถ้าพษะศ า, ษาสดาตรัสเรื่องเมตตาเมตตากายกรรมก็คือว่าประพฤติกายกรรมไม่มีโทษทั้งหมดดังที่ได้กล่าวนะีะทั้งอภิสมาจาริกรวัตดการที่ข้าเรือหัดไปไหว้พระเจดีย์ไปไหว้ต้นพระศรีมหาโพนี่มลผ้าสง์ลุกลับพระสง์ต่างๆเมื่อผ้ามาบินดาบาทเป็นต้นเนรับบาศการปูอาสนะเป็นต้นเหล่านี้นะการปูอาสนะถวายให้กับพระอะไรต่างๆนี้ทําได้จิตที่เป็นไปกับเมตตา มีความรักมีความเคารพมีความปรารถนาดีเงี้ยนะแม้ต่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติด้วยกันก็ทําให้กันรักและ ก, กันเนี้ยเขาเรียกว่าเมตตากายกรรมทํากันต่อหน้าทําอย่างนี้อย่างคนที่ทําอาหารทํากับข้าวทาไปก็มีเมตตาในการทําไปเงี้ยนะ มีความละความปรารถนาดีถ้าพูดออกมาก็เนี่ยเอาช่วยกันทำนะนี่ไพูดปฏิบัติทำนะเป็นการทําให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติได้ฟังพระธรรมได้การขัดเกลาได้ประพฤติปฏิบัติได้สวดมนต์ได้เจริญกุศลอะไรต่างๆนี่ก็พรานาญนี่เขาเรียกเมตตาวิญญรณต่อหน้าด้วยและรับหลังเรื่องว่ากันไปถ้าหากภิกษุเนี่ยนะดำรงรักษาอยู่ด้วยอาจารและบัญญัติก็สนทนากรรมฐานสแสดงธรรมอันนี้เป็นเมตตาวิีกรรมนะ อย่างนี้นที่พระกาลังกล่าวว่าทำเนี่ยนะกำลังกล่าวเรื่องทานกล่าวเรื่องศรรีลกล่าวเรื่องภาวนาเนี่ยวัจีกรรมในการที่ครหัตบอกว่าพวกเราจะไปไหว้พระเจดีพวกเราจะไป พ, พไปังธรทำนะเราจะไปบูชาปฏิบของหอมต่างๆจากไปถวายของอะไรต่างๆเลยเนี้ยนี่เป็นเมตตาวจีกรรมหมดเลยนะแต่ต้องให้มีเมตตาจริงๆนะอย่าพูดด้วยโลภะแต่ให้เมตตาเกิดก่อนแล้วก็ขับเน้นในการพูดออกมาไม่ใช่หน้างิกหน้างอ แม้อย่างนไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมฮะอันนั้นเมตตาไม่เกิดถ้าอย่างนั้นจะสะดุดหมดเลยนะการปฏิบัติอย่างอื่นเนะี่ยเพราะการอยู่ร่วมกันนิคุศลไม่เดินเพราะกุศลไม่เดินนึงจะไปหมดเลยเนะนี่พอมองเห็นใช่ไอาม า, า จ, จะไล่แบบเร็วนิดนึงเนี่ยนะต้อนรับแล้วก็นิมนต์ให้นั่งอาสนะก็ใช้คําพูดที่เหมาะสมถ้าเป็นพระเนี่ยนะจะนิมนต์ท่านนั่งที่อาสนะนะ่ต่า ง, างมีทั้งเมตตาวจีกรรมมีทั้งเมตตา กายกรรมพระเดินไปมีะนมมืออะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็เราต้องการทำอะไรขัดเกลาตัวเองนต้องการขัดเกลาเนี่ยส่วนเมตตามโนกรรมก็คือว่าถ้าพระก็ลุกขึ้นแต่เช้าก็ทำความสะอาดทำข้อวัดต่างๆเระพืชปฏิบัติต่างๆกวาดวิหารลานโบสถ์นั้นเป็นหน้าที่ของพระแล้วก็ตําบลิบอกว่าแล้วก็เจริญเมตตาจิตเนี่ยหลังจากบริบูรณ์เสร็จก็ตําลินั่งอาสนะต่างๆเดียวกัน น้อถ้าเป็นพระก็น้อเมตตาบอกให้ผู้ที่ให้ภิกษุที่อยู่ในบริเวณนี้มีความสุขหลราศาจากทุกข์นะให้มีความราก่กความปรารถนาดีน้องให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตประพฤติปฏิบัติอย่าติดขัดในคําสอนของภาษาสดาเข้าถึงความจริงของคําสอนของภาษาสดาแล้วก็น้องไม่คารวะ ท, ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลาที่อยู่บนในบริเวณนี้ท่านก็อย่าทำ่านอย่างนี้คารวะก็ทําลักษณะอย่างนี้เป็นต้น นั้นก็เรียกเมตตามโนกรรมนั้นสภาวะที่สนบสนสนิทสนมกลมเกลียวกันและสภาวะที่เป็นไปของมิตรสภาวะที่ไม่เป็นที่เป็นไปเพื่อมิตรคนทั่วไปเนะี่ยมีความอ่อนแอทั้งจิตใจอยู่อย่างหนึ่งเนะคือความเห็นแก่ตัวอยากให้เราดีอยากให้เราเด่นอยากให้เราสวยอยากให้เรารล่ออยากให้เรารวยเนะียมากกว่าบุคคลอื่นแต่การเจริญเมตตานี้เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งเนะ อฝังจิตของเรานั้นให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบุคคลรอบข้างในจูลโคสิงขู้ตรที่กล่าวผู้เจริญเมตตาบอกว่าพวกข้าพระองค์พร้อมเพียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาดกันเป็นเหมือนน้ำเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำและดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักข้าพุทธเจ้าข้าพระพุทธระกล่าวรายงานเด่พเจ้าบอกออเธออยู่กันอย่างไร ท่านก็บอกว่าตักข้ามายังพันเตสมัคคาสัมโมธมานาอวิวทะมานาคีโรทกีภูตาอัญญะมันยังปิยะจักคหยสัมปัสสันตาวิหารันติบอกว่าเออเนี่พวกข้าพระองค์พร้อมเพียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาดกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักพระพุทธเจ้าข้า เหมือนอะไรเหมือนน้ำนมกับน้ําชีโรทักีภูตาน้ําที่ผสมกับนมแล้วจัดใส่ไม่สามารถที่จะแยกไหมไม่สามารถที่จะแยกสิ่งทั้งสองออกจากกาันว่านี้คือน้ําคือน้ํานมทั้งน้ําและนมนั้นกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบุคคลที่เจริญเมตตาเหมือนกันเขาบอกว่า เมื่อเจริญเมตตาซึ่งเป็นการแผ่ความปรารถนาดีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจใส่กันเลยนะ่นอมถึงกันแล้วกันแล้วเขาก็จะมีความสนิทสนมกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบุคคลรอบข้างไม่แยกเขาแยกเราเพราะรักสุขเกลียดทุกขเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฉะนั้นความรักสุขเกลียดทุกบุคคลอื่นก็รักสุขเกลียดทุกเราก็จะพยายามปฏิบัติตนประพฤติกายกรรมวิจีกรรมแล้วก็มโนกรรมให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่น เขาเรียกเป็นสภาวะที่เป็นไปอย่างการสนิทสนมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่ไงเมตตากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าในลักษณะอย่างนี้สังคมหมู่คณะนั้นปฏิบัติแล้วเจริญหมดให้สังเกตว่าในสมัยก้างพุทธกาลทำไมเขาอยู่กันเป็นพันตอนที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปเฝ้าพระศาสดาที่ชีวการอภวัน่ใช่ไมชีวการอภวัน บางทีพาอยู่กันห้าร้อยเป็นพันแต่ไม่มีเสียงมแม้แต่แอมก็ไอเลยอันนั้นแปลว่าอะไรเนยะจนพระเจ้าช า, าติตรระแวงเลยนะว่าหมอชีวกเนี่ยจะลวงมาฆ่ารยนะิย่งคนเมตคนที่เขามีสารา น, นิยธรรมท่านอยู่ด้วยกันอย่างนั้นถ้าอย่างพวกเราอยู่กันเยอะๆอย่างนี้มีแบบนั้ น, น, นมีพูดจาก็โหนาฟังนา เมตตากายกรรมเมตตาวิีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณโปคีมีศีรสามัญญาตามีทิฏฐิสมัญญาตาโหงี้ชัดไหมแล้วการปฏิบัติธรรมจะเจริญไหมจเจริญปุ๊บปุ๊บปบเลยมีแต่เออส่งเสริมกานให้เขาปฏิบัติกแต่เมตตาต้องระวังนะคุณไปก่อนเถอะเชิญบรรลุปไปคนเดียวอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ว่าน้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆ ส่วนสภาวะที่สองสภาวะที่เป็นของมิตรก็คือเมตตาเป็นสิ่งที่มิตรบำเพ็ญให้แก่การละกันโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นสภาวะทางใจของมิตรทั่วไปที่หวังหวังประโยชน์ต่อกันทางกายทางวาจาเนี่ยเออในจูรโคสิงขสูตรที่บอกว่าพึงตั้งกายกรรมที่มีเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังกายกรรมที่เป็นความเพื่อทางกายเราต้องมีเมตตากับบุคคลรอบข้างช่วยเหลือเกื้อกูลตามที่เราสามารถจะกระทําได้ แล้วก็ตั้งวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่เพียงแต่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัด้วยกายเท่านั้นแม้ทางวาจาเราก็ได้ให้กําลังใจให้ข้อคิดทั้งหลายต่างๆแล้วก็ตั้งมโนโกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังนะไม่ว่าจะทั้งต่อหน้าหรือรับหลังว่าเรามีเมตตาทางใจเนะืคิดว่าการที่เราได้พบรู้จักกันตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการบําเพ็ญประโยชน์ ให้กันทั้งสองฝ่ายานี้เมตตาทางกายทางวาจาใจก็เกิดขึ้นส่วนเมื่อราบเกิดขึ้นนะราบเกิดขึ้นทั้งหลายแล้วก็ช่วยแบ่งปันซึ่งกันและกันต่างๆางนี้ตรงนี้ก็คือต้องการขับเน้นให้เราได้บำเพ็ญทางด้านของสารานิยธรรม6กประการแล้วเราก็เอาไปบำเพ็ญเอาไปเจริญกันในการที่จะอยู่ร่วมกัน